วันที่สองการเดินธรรมยาตรานะก็ได้ถึงตุดหมายป่าคงพันปีเนะส้นทางที่เราเดินผ่านมานะถ้าสังเกตก็ก็จะเห็นว่ามันมีป่า ปลูกใหม่ขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะอันนี้ก็มีโครงการของทางฝ่ายรัฐนี่เขาก็มีการระดมคนระดมหน่วยงานมาปลูกป่าเป็นแปลงปลูกป่าหลายพันไร่แต่เราก็คงจะเห็นได้ว่ามันก็มีการมีการบุกรุกก็ว่าได้นะ มีการถางมาเป็นไรมันหรือว่าสวนอย่างเป็นระยะๆะะเป็นหย่อมๆที่จริงอันตรายจากอันตรายที่คุกคามป่ามันมีมากกว่า น, นั้นนะไฟไฟในหน้าแล้งนี่ก็เป็นตัวการสำคัญ เราได้เดินมาอย่างนี้ก็จะได้เห็นนะว่าภูมิประเทศมันเป็นไปอย่างไรบ้างแล้วก็คงจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของอะระบบนิเวศธรรมชาติที่นี่เนี่ยนะเดิมทีชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มาไม่ได้เป็นกลุ่มแรกนะที่เข้ามา ถางป่าหรือว่าบุกรุก ป, ป่ามันมีเคยมีการทําไม้มาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนี่ชาวบ้านก็มาตามเส้นทางชักลากไม้หลวงพ่อาเล่าว่าสมัยก่อนนี่ป่ามันทึบมากนะลาพังชาวบ้านเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะขึ้นมาแล้วก็มาถางเพราะว่า ต้นไม้แต่และต้นก็ใหญ่แล้วก็ป่าก็ชื้นมากสมัยก่อนชาว บ, บ้านก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมลําพังแค่ขวานหรือว่าเลื่อยเนี่ยมันไม่พอแต ก, การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้นก็เกิดขึ้นจากการที่มีการมีบริษัททําไม้ขึ้นมาแล้วก็มีเลื่อยยน มีอุปกรณ์ต่างๆมากมายก็ถางต้นไม้ใหญ่ๆแอ้ก็ตัดต้นไม้ใหญ่ไปเยอะอันนี้ก็เปิดช่องให้ชาวบ้านนี่เข้ามาป่ามก็เริ่มเปิดขึ้นชาวบ้านก็มามาม า, มาบุกเบิกเป็นอ่าเป็นกลุ่มที่สอง ตอนนี้ก็เริ่มที่จะจุดไฟเพื่อที่ถางป่าได้แล้วเพราะว่ามันความชื้นมันไม่มากแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ถนัดนะหลวงพ่อ ข, อขี่ท่านเล่าว่าตอนที่ชาวบ้านขึ้นมาเนี่ยทั้งที่ป่ามันก็ผ่านการทำม้ามาแล้วก็ยังมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่เยอะชาวบ้านต้องการที่จะ ถางป่าเพื่อที่ทำไล่ไล่ข้อโพดไล่เรื่อยสมัยก่อนมันสัมํัลังยังไม่มาก็ใช้วิธีเรื่อยหรือว่าฟันต้นไม้เลือกต้ น, นใหญ่ๆแล้วก็ฟันฟันแต่ไม่ทำให้ขาดก็ทำอย่างนี้อยู่หลายวันต้นไม้เป็นสิบสิบต้น เราเสร็จแล้วก็เลือกอต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดแล้วก็เลื่อยเลื่อยให้มันให้มันขาดเลยนะพอเลื่อยมให้มันขาดเสรต้นไม้ต้นนั้นก็จะล้มลงมาแล้วก็จะจะกวาดเอาหรืออา่าไปทับเอาต้นไม้อื่นๆที่ตัดไว้แต่ยังไม่ขาดดีให้มันให้มันล้มลงไป เป็นแบบโ ด, โดมิโด น, นะแบบโดมิโนหลวงพ่อท่านเล่าเสียงดังจากไม้ลมนี่เป็นชั่วโมงเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรอนะรอจนกระทั่งถึงหน้านแรงเราค่อยจุดไฟเผาเราเรานึกภานนะต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะส่งทั้งนั้นก็ ถูกเขาพลานไปกับไฟนะเพื่อที่จะได้อมีที่ให้ปลูกอ่พืชเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นพืชที่รัฐบาลสนับสนุนนั่นเองนะถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนเพื่ชเศรษฐกิจแบบนี้ชาวบ้านก็ก็ไม่ปลูกบางทีนี่ก่อจะปลูกแม่แม้จะโค่น ด, ด้นไม้แล้วเนี่ยเวลาจะปลูกนี่ชาวบ้านนี่ ต้องเดินอยู่บนเหยียบอยู่อยู่บนท่อนไม้นะท่อนไม้ที่มันล้มเลวในลันหน้าท้านี่ไม่ได้แตะดินเลยก็มีเดินอยู่บนอกองซุงมแล้วก็ตรงไหนที่มันมีช่องว่างก็ค่อยอค่อยหยอดเข้โพดหรือว่าหยอดเดินหยอดอะไรให้มันขึ้นมาตามช่องว่างระหว่างซุงมนั่นแหละที่มันล้มกองกันอยู่ ในขนาดนั้นนะลองนึกภาพดูว่าต้นไม้มันเยอะขนาดไหนอันนี้ก็คื อ, ค, อคือจุดเริ่มต้นน ะ, ะร่องที่สองนะที่ทำให้ป่าเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพอย่างมโหลานเลยแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยๆทานี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันก็อย่างที่เราเห็น ยิ่งม่อมียิ่งรัฐบาลสนับสนุนให้ปลูกมันสัมปันหลังเพื่อส่งออกส่งไปเป็นอาหารสัตว์ที่ยุโรปชาวบ้านก็เลยแห่งขึ้นมาปลูกมันด้วยเริ่มต้นในการถางป่าให้มันลึกไปเรื่อยๆอ ย, อย่างที่เราเห็นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไกลแค่ไหนชาวบ้านก็ยังดันต้นมามา มาอาศัยมาปลูกไม่ใช่แค่แค่มาทำไร่นะแต่ว่ามาอยู่เลยนะที่ลึกกว่า น, นี้นะก็ยังมนะีผู้มีชาวบ้านมนะีผู้คนอบยบมานะอันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าชาวบ้านไม่มีที่ด้วยนะการเมืองไทยไมันมีปัญหาคือ ที่นี่ขาดแคลนที่ทาอยู่ทากินนะมันจะไม่ขาดแคลนได้ยังไงเพราะว่ามันมีการ เ, าเรียกว่ามีการผูกเรียกว่ามีการกระจุกตัวของที่ดินไม่น่าเชื่อนะว่ามีเครือข่ายธุรกิจของเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยมีที่ดินอยู่ในอยู่ในครอบครัวหนึ่งหกแสนไร่เพราะว่าเครือข่ายของ เศรษฐีคนเดียวนะ6แสนไร่อันดับสองนี่ก็มีที่ดินอยู่ในมือเนี่ย2แสนไลน์สองคนนี้ก็8แสนไล่เข้าไปแล้วเกือบล้านไร่แล้วก็ถ้าถ้านับรวมอันดับสามอันดับสี่ก็ข่มเงาเป็นล้านไร่ในที่ดินเหล่านี้พอมกระจุกตัวอยู่กับคนได้กี่คนในชาวบ้านก็ จำนวนหนึ่งที่ยากจนก็ไม่มีที่ทำกิน<ม>ก็เลยต้องมาเนี่ยมามาหามาบุกเบิกเอาจากป่านี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราเรามองมองปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอ่าอย่าเพิ่งมองเพียงแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันมีเหตุปัจจัยที่ผลักดันชาวบ้านเนี่ยถ้าว่าบ้านเมืองเรามันมีการปฏิรูปที่ดินที่ดีๆนะ คนมีที่ทำกินกันพอสมควรที่จะมาขึ้นมาลำบากลำบนมาถางป่านะเพื่อที่จะทำไ ร, ร่ก็คงจะมีน้อยตอนนี้เนี่ยนะก็มีการอพยพชาวบ้านที่ขึ้นมาบนหลังเขามาทำไร่นัออกไปลงไปนะเพราะว่าเป็นนโยบายคสชอตอนนี้ก็ทำได้นะเพราะว่า ทาหารเอมีอำนาจนะแต่พอพอคอสชยุบไปนะเดี๋ยวชาวบ้านที่เคยถูกอพยพโยกย้ายก็ขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะหลายระลอกแล้วนะอยู่ที่นี่มาประมาณยี่สกว่าปีนี่ชาวบ้านก็ถูกผลักออกไปเสร็จ แ, แล้วก็พอรัฐบาลเพล่อ ก, ก็ขึ้นมาใหม่พอรัฐบาลอจริงก็ผลักลงไปอีกนะแล้วพอรัฐบาลเพลอ ก, ก็ขึ้นมาอีกนะ เป็นอย่างนี้ยนะอยู่หลายครั้งหลายคราอันนี้ก็เพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างอันนี้เราขึ้นมาทั้งทีก็ให้เราได้เรียนรู้สภาพปัญหาด้วยเพราะว่าการจะอนุรักษ์ธรรมชาตินี่การจะรักษาป่าเนี่ยเพียงแค่ความหวังดีไม่พอนะต้องเข้าใจปัญหาว่าไอ้ที่ป่าถูกทาลายไปเพราะอะไรมันมีเหตุมีปัจจัยอะไรบ้างเนี่ย มันไม่ใช่แค่คนแค่ตัวอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเข้ามาผักดันทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพียงแค่คิดจะไล่คนออกไปลงจากเขาอย่างที่รัฐบาลสมัยอะไรก็เรียกว่าอะสมัยก่อนคอสชอะไรนะเราคอสชใช่ไหมเออตอนนั้น ก็มีนโยบายโหแบบเอประสชชอนี่มีนโยบายแบบจะเอาประชาชนที่อยู่ในเขตป่าเนี่ยออกจากพื้นที่ให้หมดเลยนะวัดวัดวัดวัดป่ามหาวันชาบ้านตัดดินทองก็อยู่ในอยู่ในโครงการเขด้วยนะนี่แหละโครงการคอจกกเมื่อปีสามสี่เป็นโครงการที่เรียกว่าทยอทะยานมากนะก็คือว่าจะเอาคนออกจากป่าให้หมดเลยในพื้นที่ป่าสงวน แต่ไม่รู้เขารู้หรืเอเปล่าคนที่อยู่ในเขต ป, ป่าสงวนนี่มีเป็นสิบล้านคนนะมีสิบล้านคนนะหนึ่งในหกนในเจ็ดประชากรก็จะเอาคนเหล่านี้ไปอยู่ไหนออกจากป่าแล้วไปอยู่ไหนนะไม่มีพื้นที่รองรับนะสุดท้ายก็ต้องเลิกไปโครงการคอจกเพราะถกประท้วงทั่วประเทศนะเจตนาดีนะแต่ว่าไม่เข้าใจปัญหาก็เลยนะไม่ประสบความสำเร็จ เพียงแค่รักษาป่าด้วยการเอาคนออกจากป่านี่อย่างเดียวนี่มันไม่ช่วยแก้ปัญหาถ้าไ ม, ม่ไม่มีพื้นที่รองรับให้เขาแต่พื้นที่มันจะมันจะมีได้อย่างไรตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ที่ว่างเปล่าลยอยู่แล้วนะไอ้ที่รกร้างก็มีนะแต่ว่ามันมีคนจับจองหรือว่าเป็นเจ้าของไปแล้วอย่างที่ว่านี่หกแสนไร่ของเครือข่ายธุรกิจของเศรษฐีคนนี้ก็ ไม่ใช่ว่าใช้ใช้หมดนะก็ยังเป็นที่รกร้างเยอะแต่ว่าเอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ส่วนตัวไปแล้วลมันเป็นที่ที่มีโฉนดไปแล้วอันนี้เราขึ้นมาล้วกนะ็รับรู้สภาพปัญหาเหล่านี้บ้างก็ดนะีนอกจากจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของระบบนิเวศว่าป่าน้ำดินสัตว์มันสัมพันธ์กันอย่างไรอันนี้เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ แต่ว่าความจริงทางสังคมก็ควรต้องรู้ในขั้นการความจริงทางด้านธรรมะนะก็เป็นสิ่งที่เราก็ควรจะใส่ใจด้วยธรรมญานตานี้มันเปิดให้เราได้เห็นหลายมิตินะท่านในแง่ธรรมชาติท่านในแง่โลกนิเวศในแง่ของอธรรมะสองทั้งทั้งทั้งหมดเนี้มันมันรวมกันเป็ น, นหนึ่งอันเดียวกันได้ คือแม้ว่าที่ที่เราอาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ไกลจากป่าปรงนะหลายคนก็คงได้ไปเห็นป่าปรงแล้วก็อยากจะให้อทรงจําประทับภาพที่เราเห็นเอาไวใ้ให้ให้อให้ยืนนานนะเพราะไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนสภาพไปอีกไปเมื่อไหร่ สมัยที่มาเดินธรรมยาตาปีแรกๆนี่ยแต่เราเคยแวะไปแถวหมอหิงขาวตอนนั้นยังไม่ประกาศเป็นเขตท่องเที่ยวนะโอ้มันมีต้นไม้ประเภทกล้วยไม้นี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ตามพื้นนี่ก็มีไม้แปลกๆมากมายตามโขดหินก็เยอะแยะ นั่นคือตอนที่ยังไม่ประกาศเป็นเขตท่องเที่ยวนะแต่พอประกาศเป็นเขตท่องเที่ยวแล้วหายหมดเลยไอ้ไม้หายยากพวกกล้วยไม้ต่างๆตามตามโขดหินหรือแม่งตามพื้นเนี่ยนะไม่เหลือเลยเดี๋ยวนี้ก็คงเห็นแต่อแท่งหินที่โบราณแต่ว่าต้นไม้ที่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นนี่หายไปหมดไอ้ป่าพงที่เราไปเห็นนี่ไม่รู้ว่า ในห้าปีสิบปีมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าแม้กระทั่งต้นโปรงที่เราเห็นนี่ไม่รู้ว่าจะกี่ต้นกี่ต้นที่จะจะตายไปนะเพราะบางคนนี่ก็ขึ้นไปขึ้นไปขี่ขึ้นไปปีนนะปีนต้นปรงแล้วเราก็ถ่ายรูปเนี่ยแล้วคิดดูใช่ไหมต้นอย่างนี้ยะต้นปรงเนี่ซึ่งอยู่เป็นพันปีคนขึ้นไปขึ้นไปไปปีนถ่ายรูปเนี่ยมันจะทนมือคนเราได้กี่นั้นได้นานเท่าไหร่ ไม่นานก็คงตายนะเพราะเล่นปีงึงปีงึงไปถ่ายรูปอยู่เยอะแยะสารพัดแล้วพวกเรามาได้มาเห็นก็จดจำภาพที่เห็นเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นอดีตในไม่ช้าไม่นานนี้อันนี้ก็เป็นบางแง่มุมนะของการของธรรมยาตาที่ที่น่ากล่าวถึง วันนี้พวกเราก็มากันถึงแม้ว่าจะยากลำบากแต่ว่าก็มาถึงที่หมายได้ในที่สุดมีคำกล่าวเป็นพุทธพจน์นะว่าเดินร่วมกันเจ็ดเก้าก็เรียกว่าเป็นมิตรเดินร่วมกันส2บสองเก้าก็เป็นสหายถ้าเดินเป็นเดือนก็ถือว่าเป็นญาต ถ้าเดินนานกว่านั้นนะก็เป็นตัวก็เหมือนเป็นตัวเองเอาพวกเรานี่เดินกันมาเรียกว่าเป็นพันเก้าแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นยิ่งกว่าเป็นยิ่งกว่ามิตรเป็นยิ่งกว่าสหายแล้วนะพระพุเจ้านี่ให้ความสําคัญมากกับการเดินการเดินทางเพีเ 7, เยงให้เดินร่วมกันเจ็ดเก้าก็เป็นมิตรนะเดินร่วมกันสิบสองเก้าก็เป็นสหายการเดินร่วมกันเนี่ยมัน มันเป็นการช่วยช่วยประสานใจของเราช่วยเชื่อมผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นอันนี้จะเรียกว่าเป็นอนุภาพหรือเป็นอันที่สองของการเดินก็ได้นั่งรถด้วยกันเนี่ยมันคงไม่ทำให้เราเป็นมิตรเป็นสหายมากเท่ากับการเดินเพราะว่าการเดิน มันทำมันหมายก็ว่าเรามีเรามองไปข้างหน้าร่วมกันและการเดินเมื่อทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กันและกันก็ทำให้เกิดเป็นมิตรคนสมัยก่อนก็ให้ความสำคัญกับการเดินมากมันไม่ใช่เป็นแค่การสร้างมิตรสร้างสหายเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการ การฝึกฝนจิตใจนะการพัฒนาตนอย่างหนึง่งเป็นการขัดเกลาระจึงมีประเพณีการจาริกนะการจาริกสแสวงบุญเนี่ยคือชื่อว่าจาริกสแสวงสวงบุญแล้วเนี่ยมันต้องเดินอย่างเดียวเลยนะถ้านั่งรถนั่งร้านมันก็ไม่เรียกว่าเป็นการจาริกสแสวงบุญเท่าไหร่การจาริกสมัยก่อนเนี่ยคือการเดินเพราะจาริกหรือว่าจาระเนี่ยมันก็แปลว่าเดินอยู่แล้วนะจาริกคือผู้เดินนั่นแหละ การเดินเนี่ยมันเป็นส่วนของการฝึกฝนพัฒนาตนแล้วก็มีความเชื่อว่าเออการใจริกเนี่ยมันทําให้เกิดบุญกุศล ข, ขึ้นมาแต่บุญกุศลเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าได้มีการฝึกฝนขัดเกลารตัวเองเช่นต้องมีความเพียรแล้วปกติก็ไม่ได้เดินเปล่าๆ น, นะเดินก็ต้องรักษาศีลด้วยเดินก็เป็นการรักษาศีลไม่ว่าศาสนาใดเนี่ยเมื่อขึ้นชื่อว่าเดินใจริษณ์เรเนี่ยก็ต้องรักษาศีล อย่างน้อยก็ศีลห้าทางฝ่ายคริสต์นี่ก็ถือว่าเมื่อจาริกแสวงบุญก็ไอ้ดก็ต้องนดเว้นก็ต้องรักษาสีลงข้อที่สามให้ดีก็คือว่าการไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศก็เป็นการมาเป็ตบะอย่างนี้เอาตบะีแปลว่าของตบะก็ความร้อนนะบวาเป็นตบะมาเป็นตบะก็ก็คือการอบรมบ่มตน เพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาการบริเ็ณตะบะเนี่ยนะก็คือต้องอเจอความร้อนนะความร้อนเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้าวเนี่ยมันยังกินไม่ได้จนกว่าจะเอามาหุงเอามาต้มผลไม้มัน จ่ยังไม่สุกจนกว่าจะเจอความร้อนหรือว่าถูกบ่มขึ้นมาแป้งเนี่ยถ้าไม่เจอความร้อนมันก็เป็นขนมปังกินอร่อยไม่ได้แล้วคนเราก็เหมือนกันนะก็ต้องเจอความร้อนเพื่อที่จะอบเพื่อที่จะรมเพื่อที่จะบ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคำว่าอบรมเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วนะว่ามันหมายถึง การเปลี่ยนแปลงภายในทำให้เกิดมีสติปัญญามากขึ้นมีทักษะมากขึ้นถึงแม้ว่าการเดินของเรานะียังยังไม่เจอความร้อนเท่าไหร่แต่ก่อนเนธรรมญาติาเนี่ยมันจะมีะสโลกแกนนะกลางวันเดินร้อนกลางคืนนอนหนาวกลางวันเดินร้อนมันก็ร้อนจริงๆนะแล้วกลางคืนก็ น, นอนหนาวจริงๆ นี่เรายังไม่คยเจอร้อนเท่าไหร่นะแต่ว่าความเหนื่อยของเราที่เกิดจะในระหว่างการเดินเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความร้อนภายในนะมันก็ถือว่าเป็นการบําเพ็ญตะบะอย่างหนึ่งอันนี้การจาริกเนี่ยนะมันมันเป็นการเดินเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง คนสมัยก่อนเนี่เขาให้ความสําคัญ ก, กับการเดินมากการเดินนี่มันมีพลังไม่ใช่แต่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่านั้นเนะี่ยแต่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยคารนทีเนี่ยเป็นคนเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่เห็นความสําคัญของเห็นพลังของการเดินนะแล้วก็ใช้การเดินนี่แหละนะในการต่อสู้กับเจ้กพันเจ้าพันที่อยู่อังกฤษนะสมัยที่มาครองอินเดียอยู่ เพวกเราคงทราบว่าประมาณร้อยปีที่แล้วนี่อินเดียอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษแล้วก็มีคนที่พยายามต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียคาน์ทีก็เป็นคนหนึ่งและคาร์ทเขาใช้วิธีการเดินการเดินที่เรื่ชื่อของเขาคือการเดินที่ชื่อว่าเดินญาตราเพื่อต่อต้านภาษีเกลือ เ, South <c oughs> เดินญาติเป็นการญาตราิ ระยะทาง400กิโลเมตรเดินสามอาทิตย์ทีแรกเนี่ยเดินกัน20คนตอนนั้นคานทีก็60แล้วนะคนก็หัวเราะว่าคานทีทำอะไรนะเดินมันจะทำอะไรได้แต่คานทีเขารู้ว่าไอ้เดินอย่างนี้แหละมันมีพลังทีแรกก็เดิน20คนเดินไปเดินไปผ่านหมู่บ้านสตากคนก็เริ่มเป็นร้อย แต่วเดไปเดิไปคนก็ร่วมเดินเป็นพันนะพอไปถึงพอผิงทะเลนะคนก็เป็นหลายหมื่นแล้วโดยนไปที่ทะเลทําไมโ <c oughs> ดินไป ท, ทะเลเพื่อที่จะทําเกลือเพราะกฎหมายของอังกฤษเขาห้ามทําเกลือต้องซื้อเกลือเองต้องซื้อเกลือที่รัฐบาลขายถือแม้ก็ต้องเสียภาษีแต่การทีบอกว่านี่มันไม่เป็นธรรมเขาก็เลยไปทําทําเกลือกันเองเลย อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องการต่อต้านภาษีเกลือกฎหมายเกลือแต่ว่าความหมายที่ลึกกว่านั้นคือต่อต้าน อ, อำนาจเผด็จ ก, การของอังกฤษมันก็สั่นคลอนอังกฤษได้เลยนะจากการเดินแต่ว่าไม่ใช่การเดินเฉยๆนะมันเป็นการเดินที่สามารถที่จะรวมคนให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ การเดินที่มันก็สามารถที่จะรวบรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เกิดพลังขึ้นมาก็มีหลายแห่งหนะ้าที่ใช้การเดินเนี่ยเพื่อทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสังคมเช่นทําให้เกิดสันติภาพขึ้นมาก็มีนะให้ธรรมยาราเนี่ยธรรมยาราเนี่ยชื่อเดอิมจริงเนี่ยมันมันมามันเกิดที่ขเขมร น, นะขเขมรเมื่อทั้งยี่สิบห้าปีก่อนเนี่ย 30บปีมันเกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็บ้านเมืองแบ่งเป็นสฝ่ายและวขมิบสฝ่ายตนลังก็มาเจราจากันเพื่อจะยุติสงครามแต่คนก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าสงครามมันจะยุติจริงหรือเปล่าผู้คนไม่มีความมั่นใจผู้เกิดผู้คนเกิดความวิตกกังวลท่านท่านสมเด็จโคสนันทะหรือหมหาโคสนันทะเนี่ยานเป็นพระที่ คนคอมเนเนี่ยเคารพน้องถือมากแล้วท่านก็เป็นภระที่น่ารักมีเมตตาท่านก็เลยจัดธรรมญาตราขึ้นมาคำว่าธรรมญาติตราเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยที่เอมเนนะประมาณยี่สิบห้าปีที่แล้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคนคอมเอนว่าสันติภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วท่านก็เดินนะเดินมีพระ แม่ชีเป็นร้อยชาวบ้านนี่เป็นร้อยเดินเข้าไปตามเขตที่เคยมีการสู้รบโดยเว่าะในเขตที่เป็นพื้นที่ของเขมรแด ง, งก็คลยๆคิดว่าคงจะคงจะวุ่นวายนะอาจจะมีเลือดตกยังออกเพราะว่าเขมนแดงตอนนั้นเขาก็พยายามที่จะไม่ให้ใครมาร่วงล้ำในพื้นที่ของเขาแต่ว่าพุทธศาสนาก็ยังมี อนุภาพมากยิ่งมีพระเป็นผู้ น, นำชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่เขมรแดงเขาก็มาต้อนรับท่านหมหาโคศนันท์ธรรมจงกระทั่งข้าราชการเจ้าที่พักคอมนิสก็ม า, าก็มาต้อนรับด้วยทั้งคนก็เห็นว่าธรรมญาตาซึ่งเดินเป็นเดือนมันผ่านพ้นไปได้อย่างอย่างเรียบร้อยไม่มีใครตายยกเว้นที่ตายอาจจะมีตายบ้างเพราะว่าไปเหยียบกับระเบิดแต่ไม่มีการประทะกัน ธรรมยตาขรังนั้นนี่ก็ทำให้คนเนี่ยมีความหวังว่าสันติภาพจะเป็นจริงขึ้ น, นมาได้แล้วท่านก็ทำอีกทุกปีทุกปีทุกปีนะจนทั่งบ้านเมืองก็เข้าสู่ความสงบสุขอันนี้ก็เป็นการรวมพลังของผู้คนที่รักสันติภาพคนที่เดินเป็นพันเนี่ยมันเป็นเป็นสัญญาณที่บอกว่าประชาชนต้องการสันติภาพ เลือกลบกันเลือกฆ่ากันได้ทันทีเสียงมันก็ดังมากจนทั่งทําทให้อในสุดคะแนนสามฝ่ายเขาก็ก็สามารถที่จะสร้างตั้งรัฐบาลอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าธรรมยราเนี่ยมันมีที่มามีชื่อมาอย่างนี้และธรรมยถาของเขานี่เรียกว่าลาบากลำบนของเราเนี่เที่ยวก็ไม่ได้น เขาเดินไกลกว่าแล้วก็เส้นทางก็วีบากกว่าแล้วก็เดินหลายวันเป็นเดือนนะจนกระทั่งไปถึงพนมเปนเลยตอนเราก็มีธรรมยถ า, าปีสามแปดตอนนี้เนี่ยเดินทางกันมาโนนนึ่งอากาศก็จัดครึ่งนึ่อากาศห้าสิปีสงครามโลกครั้งที่สองก็เดินทางตั้งแต่โปแลนด์ค่าย กักกันที่เป็นสังหานชาวอยู่พระญี่ปุ่นเป็นคนนํานะเป็นคนจัดนะตีกลองถือตีกลองเนี่ยแล้วก็สวดมนต์แลโมเมียโฮเรงเกเกียวเป็นการลิเหลืองของพระญี่ปุ่นแล้วก็มีชาวยุโรปมาร่วมแวก็เดินข้ามทุวยุโรปนะมาถึงเมืองไทยมาเมืองไทยก็เข้ามาทางมาเลเซียสิงคโปร์และจากเมืองไทยก็ต่อไปคอมมิวน์ อาตมาก็มีส่วนได้ร่วมเดินกับเขาด้วยนะแล้วก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับขณะนี้ในฝ่ายไทยแล้วก็เดินไปข้าไปถึงเอาถึงญี่ปุ่นนะไปถึงเมืองฮิโรชิมาซึ่งเป็นที่ที่มีการทิ้งระเบิดปรามโนะ่ก็เป็นการฉลอง50ปีระเบิดที่ฮิโรชิมาด้วยวเขาก็เดินกัน 3-4 เดือนได้นะข้ามหลายประเทศมากทีเดียว คนไทยก็ไปร่วมเดินเยอะไปยอยู่ถึงฮิโรชิม่าเลยหลัากนั้นก็เลยมีธรรมญาติตาลอกทะเลสาบสงขลาแล้วก็มีธรรมญาตราอีกหลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งนี้ก็เรียกว่าใช้เวลาที่ยาวนานแล้วก็เดินไกลเกลื่อนเดินไกลกว่าของเรามากของเราแค่แปดฟันธรรมญาตราจากเชียงดาวมาเจ้าพระยาในโอมันกี่มันกี่วันนะเนี่ยเป็นเดือนนะ หลายร้อยกิโลเจ็ดรอยกิโลธรรมยถาตาทะเลสาบสงขลาก็สามอาทิตย์บางครั้งก็เป็นเดือนธรรมยถาตาผืนป่าตะวันออกนะก็เป็นเดือนได้ธรรมยถาอันนี้ไม่เรียกว่าธรรมยถาตาแต่เรกว่าเดินสันติปัตตานีจากกรุงเทศจากสรยาไปปัตตานีนะปีห้าสามเพื่อ เรียกร้องสันติภาพแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายพอสมควรอาจารย์ประมวลนี่ก็เป็นผู้ถึงที่เดินตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ก็เดินเกือบสองสองเดือนได้ระยะทางพันสลากิโลเมตรให้เจอได้ว่าการเดินการเดินเนี่ยไม่ว่าจะชื่อธรรมญาตราหรือว่าชื่อไรก็ตามเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆนะ แล้วมันมีพลังด้วยไม่วาจะเป็นพลังในทางการเมืองหรือว่าสามารถจะเป็นพลังในทางศาสนธรรมก็ได้บางครั้งเราก็ใช้การเดินเนี่ยเพื่อการค้นพบตนเองนะระหว่างที่ตัวนี้เดินไปตามที่ต่างใจก็ไปเรียกว่าเป็นการเดินทางด้านในการเดินทางด้านในมันเกิดขึ้นควบคู่กับการเดินทางไปตามที่ต่างๆ อย่างอาจาประมวลเพียงจันนี่ก็เดินนะเมื่อเจ็ปีก่อนก็เดินจากเชียงใหม่ไปสมุยนะไกลมากนะเป็นพันกิโลเมตรเกือบสองเดือนแล้วก็เดินคนเดียวนะอันเดินสติ ป, ปัตตานีก็เดินที่อื่นนี่เป็นเดินกันหลายคนแต่ขออจารประมวลเดินคนเดียวแล้วก็เดินแบบยิ่งกว่าพระเอกนะยิ่งกว่าพระทุดงนะก็คือไม่พกเงินไม่ติดเงินแล้วก็ไม่ขอไม่ขอตั้ง ตั้งใจจะไม่ขอข้าวไข่สุดท้ายแต่ว่าใครก็จะให้เราก็ตั้งใจที่ไม่เดินไปไปเยี่ยมไปหาคนที่รู้จักเ <c oughs> พราะทุกดงเรานี่เดินนี่ยังถึงแม้ไม่พกเงินนะเราก็ยังสบายใจว่าไม่มีอดนะถ้าก็เดินผ่านตามสถานที่ชุมชนต่างๆแต่ถ้าเดินเข้าไปในป่าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเดินผ่านเมืองแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าอดนะเพราะว่า ชาวบ้านเขาก็เห็นแล้วเขาก็ศรัทธาเขาก็รู้ว่ามีพระมาเขาก็อยากจะถวายอาหารถวายน้ําแต่การเดินของเจ้าประมวลเดินแบบเรียกว่ายากกว่าที่พระธรมสิบแต่ว่าก็เป็นการเดินที่มีความสําคัญมากประสบการณ์ที่ท่านได้เขียนมาเป็นหนังสือชื่อว่าเดินสู่อิสรภาพนี่ก็เรียกว่า เป็นแรงบรรันดาลใจกับคนมากมายหนังสือเล่มหนานนะ้วแต่คนก็อ่านกันรวดเดียวจบก็เยอะนะแล้วก็พิมพ์นี่เป็นสิบสิบเป็นสิบครั้งได้เป็นแรงบรรดาลใจกับคนมากในการที่จะสแสวงหานะให้เพียงแค่การเดินเนี่ยมันมีพลังไม่ว่าจะเป็นพลังในทางสังคมการเมืองหรือพลังในทางจิตใจพลังทางศาสนาธรรมมันี้จะจะไป จะไปจะดูถูกหรือว่าจะมองข้ามความสาคัญของการเดินนี่ไม่ได้เลยอยู่ที่ว่าเราจะเดินเป็นหรือเปล่าปีที่แล้วนี่ก็ส ส, สิ น, นเขาก็ส ส, สินเฉลิม่างเขาก็เดินต่อต้านอะไรเ A เเนี่ยของเขือนแม่วงเริ่มต้นก็เดินกันไม่กี่คนนะเดินไปเดินไปออคนเยอะขึ้นตามทางนะจนกระทั่งพอมาถึง กรุงเทพแถวปทุมวันนี้คนเป็นพันเลยนะก็สามารถทำให้รัฐบาลต้องทบทวนเรื่องการสร้างเขื่อนแม่วงก์เพราะฉะนั้นเรื่องการเดินเนี่ยเราเราต้อง ถ, ถึงแม้มันจะเป็นวิธีการแต่โบราณนะเดนินมาเป็นพันพันปีแล้วมาถึงยุคนี้นะเป็นยุคดิจิตลยุคที่คนเขาสื่อสารกันนะด้วย ที่ที่โทรทั์ด้วยหรือว่าเดินทางด้วยรถยนต์แต่มันก็ยังมีพลังเหมือนเดิมฉะนั้นถ้าเราเข้าใจการเดินแล้วก็เดินให้เป็นนี่มันจะมันจะเมียนที่สมมากแล้วก็คำนี้ก็พูดกันทานี้น ะ, ะเกี่ยวกับพักผ่อนกัน